ที่มาและเกี่ยวกับหนังสือแววเสียงสวรรค์ในหนังสือวิญญาณฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับครบรอบปีเราได้ก้าวหน้าขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งด้วยการเสนอเรื่องใหม่คือแววเสียงสวรรค์ชื่อนี้ฟังดูคล้ายกับจะมีความหมายในทางโรแมนติกคือในทำนองรักๆใคร่ๆแต่ความเป็นจริงแล้วชื่อนี้หาได้มีความหมายเปนในทำนองนั้นไม่แววเสียงสวรรค์ในที่นี้ ข้าพเจ้าหมายถึงการได้ยินเสียงจากโอปปาติกะผู้ที่อยู่ในสวรรค์เป็นการได้ยินจริงๆโดยวิธีติดต่อทางสมาธิหมายเหตุโอปปาติกะคือกำเนิดประเภทหนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทกายทิพย์เช่นสรนนรกเปรตเทวดาและพรมเป็นต้นซึ่งเป็นกำเนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดูคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยละเอียดได้จากหนังสือเรื่องผีและเทวดามีจริง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 ท่านจากโลกนี้ไปนานแล้วนะครับและท่านก็ได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนซึ่งใช้เป็นที่อบรมสมาธิวิปัสนาแก่พระนิสิตของมหาจุฬามาจนถึงปัจจุบันวิธีติดต่อเราทำกันในแบบง่ายๆไม่มีพิธีรีตองใดๆทั้งสิน้นก่อนจะถึงวันและเวลาที่จะทำการบันทึกข้าพเจ้าจะนัดกับโอปปาติกะที่จะตอบปัญหาเสียก่อน พร้อมทั้งบอกปัญหาที่จะให้ท่านตอบว่ามีอะไรบ้างส่วนจะเป็นวันและเวลาไหนโอปปาติกาท่านที่จะตอบปัญหาจะเป็นผู้นัดมาเมื่อถึงเวลาที่นัดข้าพเจ้าก็เตรียมเครื่องบันทึกเสียงไว้ส่วนบุคคลที่จะเป็นพยานรู้เห็นโดยมากข้าพเจ้าไม่ได้นัดให้รู้ตัวล่วงหน้าสุดล a s t จใครจะมาในวันและเวลานั้นทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าไม่มีความปรารถนาที่จะให้ไปเชิญชวนใครต่อใครมา ข้าพเจ้าต้องการที่จะศึกษาเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวในวงแคบๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเรื่องราวที่เป็นจริงอย่างถูกต้องและถี่ถ้วนเสียก่อนแล้วเรื่องอันใดที่เห็นว่าพอจะนำมาเล่าสู่กันฟังได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครข้าพเจ้าก็จะนำมาเขียนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายโปรดจะได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสาคัญแต่ประการใดขอให้ถือว่า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 เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างและตอบปัญหาเราได้ทุกอย่างรู้อะไรถูกต้องทุกอย่างทุกคนที่สนใจในเรื่องของโอปปปาติกะโปรดอย่าได้ลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนลาเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอัตโนคติตนลาเป็นคติของตนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง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 แต่จะเก่งไปกว่าพระพุทธเจ้าย่อมเป็นไปไม่ได้พระพุทธองค์แม้จะไปรินิพานเป็นนานแล้วก็จริงแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังอยู่และอยู่อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมทั้งอัฏฐและพยัญชนะฉะนั้นในเมื่อพระธรรมยังอยู่ก็เหมือนพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าอา น, นุ์เมื่อเราปรินิพานไปแล้ว ทมและวินัยที่เราบัญญัติไว้ดีแล้วนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราสืบไปและตรัสว่าอีกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราเว้วเสียงสวรรค์ที่ได้ถ่ายทอดลงในหนังสือวิญญาณฉบับนี้ได้ทำการบันทึกไว้เมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช5องเวลา20นาฬิกา ภายในห้องที่ทําการบันทึกได้มีบุคคลอยู่ในที่นี้ด้วยหลายคนเช่นอาจารย์สิริพุทธสุขคุณกิติชาติพัฒนาประภาพันธ์คุณสวัสด์อมรสิทธิ์ดังนี้เป็นต้นสําหรับโอปปาติกะซึ่งเป็นผูต้ตอบปัญหาครั้งนี้คือพ่อฤาษีสราญกัสซึ่งเป็นโอปปาติกะองค์แรกที่ข้าพเจ้าติดต่อได้เมื่อประมาณ6กปีล่วงมาแล้วสําหรับพ่อฤาษีนี้เมื่อสมัยเป็นมนุษย์ท่านเป็นชาวอินเดีย ได้ไปบำเพ็ญตะบะอยู่ตามแถบภูเขาฮิมาลัยและท่านเดมรณาภาพมาเกิดเป็นโอปปาติกะเป็นเวลาประมาณ300ปีเศษล่วงมาแล้วหมายเหตุขอย้ำอีกสักรอบนะครับว่าถ้าเจออะไรที่ขัดกับความรู้สึกหรือความเชื่อเดิมเขาให้ผ่านไปก่อนการศึกษาอะไรก็ตามนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออย่าพึ่งเชื่อ แต่ก็ไม่ควรด่วนปฏิเสธลองเปิดใจฟังทั้งหมดให้จบก่อนแล้วค่อยพิจารณาอีกครั้งว่าควรเชื่อหรือไม่ตราบใดที่เรายังไม่บรรลุเป็นพระอระหันต์ตราบนั้นก็อย่าพึ่งเชื่อว่าความรู้ความเข้าใจในธรรมนั้นเราเข้าใจได้ถูกต้องตรงทางจริงเพราะจิตที่มีกิเลสนั้นย่อมเข้าข้างตัวเองแม้ท่องพุทธวจนะก็พร้อมจะตีความปิดตามกิเลสของตัวเองและเข้าใจได้แค่ในระดับที่ตัวเองพอจะเข้าถึงได้เท่านั้น แต่ก่อนที่เราจะบรรลุปเป็นอรหันต์จนไม่ต้องเชื่อใครนั้นก็ควรยึดพระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานไว้เบื้องตน้นซึ่งถ้าได้อ่านหนังสือของอาจารย์พรทั้งหมดก็จะเข้าใจนะครับว่าท่านนำเรื่องต่างๆมาอธิบายโดยที่ไม่ขัดแย้งกับพระไตรปิฎกหรือกฎแห่งกรรมเลย